บันทึกที่สปฏิจจสมุปบาทแนวอภิธรรมในพระอภิธรรมปีดกท่านจำแนกกระบวนธรรมะปฏิจจสมุปบาทออกเป็นหลายแบบตามประเภทแห่งจิตที่เป็นอกุศลกุศลอัพยากฤตคือเป็นวิบากและกิริยาและซอยละเอียดออกไปอีกตามระดับจิตที่เป็นกามาวจรรูปาวจร อ, อรูปาวจรโลกุตระ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 ในอกุศลจิตอย่างเดียวเท่านั้นในจิตประเภทอื่นๆตัณหาถูกแทนด้วยภาษาทะหรือไม่ก็ข้ามไปเสียทีเดียวทางนี้เพราะอภิธรรมศึกษาจิตซอยเป็นแต่ละขณะขณะจึงวิเคราะห์องค์ธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยในกระบวนธรร ม, มะเฉพาะขณะนั้นๆอวิชชาและตัณหาเป็นต้นที่ถูกข่มถูกเบียดในขณะนั้นๆ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 เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาหรือเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิฆะความขัดเคืองกระทบกระทั่งใจหรือเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดวิจิกิจฉาหรือเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดอุธทธจ like, ัก like, ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานหรือตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอธิโมก คือความน้อมใจดิ่งไปความปลงใจหรือปฏิฆะเป็นปัจใจัยให้เกิดอธิโมกหรืออุทธจักรเป็นปัจใจัยให้เกิดอธิโมกอุปาทานเป็นปัจใจัยให้เกิดภพหรืออธิโมกเป็นปัจใจัยให้เกิดภพหรือวิจิกิจชาเป็นปัจใจัยให้เกิดภพภพ เป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะเท่ากับความเกิดพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิน้นกลุ่มที่สองุอศลจิตเฉพาะกามาวจรปรูปาวจร อ, อรูปาวจร อ, อวิชชา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 เป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณนะต่อกับความเกิดพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิน้นในที่นี้ตอนเริ่มต้นท่านวงเล็บในกุศลละมูลเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารไว้หมายเหตุไม่ว่าข้อความที่อยู่ในวงเล็บ หมายความว่าข้อที่หนึ่งนั้นอาจว่างเริ่มที่ข้อสองคือสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณทีเดียวก็ได้หรืออาจเริ่มด้วยอกุศลลมูลเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารก็ได้แต่ถ้าเริ่มต้นโดยอกุศลละมูลจะได้เฉพาะในอกุศ ล, ลวิบากจิตเจตเท่านั้นหมายเหตุตรงอธิโมกเป็นปัจจัยให้เกิดภพ หมวดนี้ได้ในอาเหตุกกากุศรวิบากจิตที่หกเ็ปอาุศลวิบากจิตที่หกเจ็ดอเหตุกกากิริยาจิตทั้งสามหมวดว่าด้วยอธิโมกเป็นปัจจัยให้เกิดพบในหมวดสุดท้ายหมวดนี้ได้ในกามาวจรวิบากจิตรูปาวจรวิบากจิตอรูปาวจรวิบากจิต กามาวจระกิริยาจิตรูปาวจระกิริยาจิตอรูปาวจระกิริยาจิตทั้งหมดกลุ่มที่สโลกุจราจิตคือกุศลและวิบากในส่วนของกุศลอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารหรือกุศลละมูล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 ข้อสังเกตโลกุตระกุศลจิตอาจเริ่มด้วยอวิชชาหรือกุศลลมูลแต่โลกุตระวิบากจิตเริ่มด้วยกุศลลมูลหรือไม่ก็เริ่มที่สังขารทีเดียวอันหนึ่งคำสรุปท้ายเปลี่ยนจากความเกิดพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิน้นเป็นความเกิดพร้อมแห่งธรรมะเหล่านี้